บทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือปาจิตตีหนึ่งร้สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือปาจิตตีหนึ่งร้สิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาจิตตีทั้ง166สิกขาบทเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ขุดทักษกสิขาบทจบบริบูรณ์ปาจิตติยกันในพิคุณีวิพังจบ